ทรงเห็นวิเวกได้ตรัส บ, บอกสมุดฐานทางวาจาไว้แล้วอาบัติที่เกิดโดยสมุดฐานนั้นมีอยู่สี่ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพระเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัส บ, บอกสมุดฐานทางกายทางวาจาไว้แล้ว